าายยาถามมาเนี่ยอยากก็ถามเลยก็ถามเลยพอดีจะจ ะ, จะไปดูข้างลางที่เป็นวัดของจีนล้วก็จะเห็นพระรหังสิบแปดรูปก็เลยเคยเคยไปที่พุทธกายาไปสวดมนต์้าทวนโพแล้วก็คนที่เบ็ดเขาสวดหลงพระหังสุบหกรูปเหมือนแบบเขาทำพี อันเจริญอกว่าสิบแปดรูปเขาก็ช่วยต่อพระพุทธศาสนาไม่ได้หรอกพระอาหารหันต์ตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้แลนะต้องเอาพระอาหารหันต์เป็นต่อศาสนาพระอาหารหันต์เป็นครูไงครูตายไปแล้วมาสอนเด็กไม่ได้สอนเด็กนักเรียนไม่ได้ต้องอครูเป็นต้องสร้างอาหารหันต์ขึ้นมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆที่ตายไปแล้วก็จบไปพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็จบไป เพียงแต่ว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แทนพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะให้พระหลานสิบแปดรูปนั้นช่วยก็ต้องเอาคำสอนของพระหลานสิบแปดรูปนั้นมามาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติแต่ถ้าไปกราบเฉยๆไปไหว้เฉยๆมันไปสวนเฉยๆไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าศาสนาของเรานี่อยู่ที่การศึกษา อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุผลของการปฏิบัติแล้วก็เรื่องพระอุปคุณเป็นเช่นเดียวกันทั้งนั้นแหละที่ตายไปแล้วเราจะรับประโยชน์จากพระอาหารหันต์ที่ตายไปได้ก็คือคำสอนของท่านนะเช่นหลวงปู่มัน่นท่านตายไปแต่ต ย, ยังมีคำสอนของท่านอยู่ถ้าเราศึกษาคำสอนศึกษาประวัติของท่านเราก็จะได้เรียนรู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไรเราก็ไปปฏิบัติ ตามที่ท่านปฏิบัติเราก็จะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนท่านอแต่ถ้าเราไปดูพระพุทธดูดูรูปของรูปเหมือนดูรูปปั้นของพระอรหันต์สิบแปดรูปรูปปั้นเหล่า น, นั้นก็สอนอะไรเราไม่ได้น ะ, ะเพราะว่าศาสนาพูทนี่เกิดเป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ถ้าไปเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วเอาอ่าไอนรูปปั้นของไอน์สตนมาตั้งไว้ที่ห้องแล้วให้เด็กนักเรียนกราบจะเรียนรู้อะ o อมิกเทอรีหรือเปล่าฮะไม่มีวันรู้ใช่ไหมออันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าเอารูปปั้นพาะอรหารมาตั้งไว้แล้วก็สวดเราจะไปเรยเราจะไปเรียนรู้เรื่องอริยสัจสีได้อย่างไรทุกสมุทยัยนิโรดมาก ตายลักอา น, นิจังทุกขงังอนัตตาต้องมีคนสอนเราอธิบายให้เราฟังว่าทุกข์เป็นอะไรอะไรคือทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายอ ะ, อะไรทำให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ก็ความอยากการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้วอะไรจะทำให้ความอยากนี้หมดไป อะไรจะทําให้ความทุกข์ดับไปก็คือมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาหรือส ม, มาธิสัมมาสังกโปไปถึงส ม, มาสมาธิถ้าอยากจะให้ทุกข์ดับอยากให้ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องเจริญมรรคมรรคก็มีศีล ส, สมาธิปัญญา ทำหรับนักบวชถ้าคาลวานก็ทานศีลภาวนาเป็นมรรคเหมือนกันถ้ามีมรรคก็จะสามารถทำให้ความอยากหมดไปได้เพราะไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะความทุกข์เกิดจากความอยาก อันนี้ต้องมีคนสอนต้องมาสอนวิธีที่ละเอียดกว่านี้ที่พูดนี้ก็ยังเป็นพูดแบบกว้างๆมักก็ต้องต้องมาศึกษาว่าทานเป็นยังไงเสียงหายไปแล้วใครไปทาอะไระกลับมาแล้วไม่เป็นไรทำไมต้องทำทานก็การทำทานก็เพื่อที่จะ ตัดความอยากความอยากที่เป็นทำให้เหตุและเราไปมาเกิดกันเช่นเราอยากไปดูหนังอย่างนี้ก็ทำให้เราติดถ้าเราไปดูหนังเราก็จะติดเราก็จะดูอยากจะดูไปเรื่อยๆพอไม่มีร่างกายร่างกายตายไปก็อยากจะกลับมาดูใหม่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ แต่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะดูหนังเอาเงินที่ไปดูหนังไปทำบุญแทนเราก็จะไม่ได้ดูหนังแล้วต่อไปเราก็จะเลิกดูหนังได้ไม่ต้องไม่มีความอยากจะดูหนังเพราะเวลาทำบุญแล้วใจเราก็สุขมีความอิ่มมีความสุขมากกว่าการไปดูหนัง ต่อไปเราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่แทนที่จะหาความสุขจากการไปดูหนังฟังเพลงเราก็ไปทําบุญต่อไปเราก็เลิกความอยากที่จะดูจะฟังได้เมื่อเราไม่มีความอยากจะดูจะฟังเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้อง กลับมาเกิดใหม่เมื่อมีความอยากจะใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่ททำไมเราต้องทำทานเพราะเราชอบเอางเงินไปไปทำตามความอยากพออยากแล้วมันก็ติดไม่ไม่ใช่พอทำเสร็จแล้วมันจะจบมันไม่จบมันจะอยากไปเรื่อยๆเหมือนคนอยากสูบบุหรี่ก็ไปซื้อบุหรี่มาสูบพอบุหรี่หมดก็อยากซื้อใหม่ ก็ต้องไปซื้อมาใหม่เพราะติดสูบบุหรี่แล้วเมื่อพอตายไปก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ถ้าเลิกสูบบุหรี่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกมีแฟนได้คือเลิกใช้ร่างกายเป็นวิธีหาความสุข ถ้ายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นวิธีหาความสุขก็ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาน่างกายอันใหม่ได้เกิดใหม่เราจะได้กลับมาหาความสุขเหมือนกับเขาวคราวที่แล้วเหมือนกับตอนที่ชาติก่อนชาติก่อนก็หาความสุขอย่างไรชาตินี้ก็มาหาความสุขอย่างนั้นอ่าเปลี่ยนไปแล้วอ่หายไปเลย ฮะเอ า, เอากลับมาแล้วแตจิตที่จิตที่จิตที่รู้แต่ไม่เกิดในสิ่งนั้นมันมันเป็นจิตลักษณะเลยก็มันไม่หิวไงมันเหมือนคนที่เลิกสูบบุเลี่อา่าจิตที่เลิกสูบบุเรีกับแล้วจิตที่ติดบุหรีมันไม่เหมือนกันนะอา่าเวลาติดบุเรีน่นี่มันจะรู้ว่าเดี๋ยวก็อยากจะสูบบุหรี่เดี๋ยวก็อยากอยู่นั้น แต่จิตที่ไม่มีความอยากก็จะรู้ว่าไม่มีความอยากสุดเลยจิตที่ไม่มีความอยากก็จะรู้ว่าตอนนี้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปดูหนังไม่อยากไปฟังเพลงไม่อยากจะไปกินไปดื่มอะไรเอค่ะแต่ว่าทําโดยจําเป็นที่ต้องทำใช่ไหมทำเป็นยังไงคือคือ คือถ้าไม่อยากได้อะไรมันไม่ต้องขยับมันนั่งอย่างนี้เฉยๆแต่ว่ามันตายมันต้องทำชีวิตต่อเนื่องเพราะว่าขันยังมีอยู่คือจิตถ้ามันไม่มีความอยากแล้วจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ปล่อยมันตายก็ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ทำก็ไม่ได้ทำเพราะความอยากอย่างพระพุทธเจ้ากินข้าวบิณธบาตก็ไม่ได้แปลกเพราะความอยากไปกินไปอยากบิณธบาต ไปเพราะถึงเวลาต้องทําหน้าที่ก็ทําไปตามหน้าที่เหมือนกินยาเวลากินยานี่คุณกินด้วยความอยากก็เปล่าเวลาดื่มกาแฟคุณดื่มกาแฟด้วยความอยากก็เปล่าใช่ไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละพระพุทธเจ้าฝ้าหลา น, านท่านทําอะไรท่านทําเหมือนกับทําทําเป็นเพราะว่ามันมันถึงเวลาต้องทํามันไม่เหตุให้ทำํำนั่นต้องกินยาก็กินยา ต้องกินข้าวก็กินข้าวแต่ถ so huh ้า <Kid les ión> <os> ไม่ม well, so ีข้าวกินท่านก็ไม่เดือดร้อนอดตายท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรามีความอยากกินข้าวไม่ได้กินข้าวเราก็เดือดร้อนใช่ถ้าเราอยากอยู่แล้วไม่มีข้าวกินแล้วเราจะตายเราก็เดือดร้อนแต่พระพุทธเจ้าพระหลานท่านไม่เดือดร้อนเ้ยาไม่มีความอยากกินข้าวถ้าไม่มีความอยากอยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ เพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายให้ความสุขท่านมีความสุขจากการทำใจให้ไม่มีความอยากใจไม่มีความอยากนีอิ่มพอให้สุขตลอดเวลาเลยไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขใจที่ไม่มีความสุขในใจก็ต้องไปหาหนูน่นหานี่มาให้ความสุข แล้วก็ความอยากมันมันวันหนึ่งความอยากมันมันลุดลุดออกเลยก็เนี้ยก็ความอยากมันหมดอย่างเงี้เหรอมันมันมีถ้าถึงพระอรหันวันนึงอะมันความอยากมันมันลุดออกจากจิตเลยมันมันจิตมันมันก็หลุดไปทีละตัวสองตัวไงเอออย่างตอนนี้คนมาบวชเนี่คนก็หยุดความอย่างน้อยคนก็ห้ามความอยากไปเที่ยวได้แล้วใช่ไหมันจะไป ไปดิสโก้นี้ก็ไปไม่ได้แล้วอไปดื่มเหล้าก็ไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็ตัดไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอยากจะดื่มเหล้าแล้วใช่ไหมมีเหล้าวางไว้เฉยๆก็ไม่ก็ไม่อยากดื่มแล้วใช่ไหมอันนี้กนที่ก็ตัดไปที่ตนนิเทีลหน่อยไงมันไม่ได้ตัดทีเดียวพร้อมกันหมด่ขาเนี่ยตัดของที่มันเหมือนตัดต้นไม้ตอนต้นเราก็ไปตัดกิ่งไม้ก่อนตัดใบไม้ก่อนตัดของง่ายๆก่อน ของกิ่งไม้มันเล็กก็ตัดมันก่อนเพื่อจะได้ไม่ให้ต้นไม้มันโตนะอย่างน้อยก็หยุดมันไม่ให้เติบโตตัดมันตัดใบไม้ก่อนตัดกิ่งก่อนพอตัดกิ่งได้แล้วก็มาตัดต้นมันพอตัดต้นแล้วก็มาขุดดินเอารากออกมาออพอรากออกมาหมดแล้วเทนี้หมดแล้ว น, นั่นแหละ ถึงมีสี่ขั้นไงขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาราหันต์เนี่ยตัดตัดความอยากแต่ละขั้นไป mm hmm. พระโสดาบันตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายะตอนนี้ยังอยากไม่แก่อยู่หรือเปล่ายังอยากไม่เจ็บอยู่หรือเปล่ายังอยากไม่ตายอยู่หรือเปล่า mm hmm. ถ้ายังอยากก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้าปฏิบัติแล้วใช้ปัญญาใช้สมาธิ ก็จะสามารถมีกําลังตัดความอยากได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็ mm hmm. จะเป็นพระโสดาบันขึ้นมา mm hmm. พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องไปตัดความอยากที่จะมีแฟนอยากจะนอนกับแฟน mm hmm. ก็ต้องใช้อสุภ mm hmm. ะเวลาเห็นแฟนก็ให้ดูดูดูดูแฟนว่าเป็นอสุภะดูข้างใน ดูหัวใจดูปอดดูตับดูลำไส้ดูกระดูกดูอะไรต่างๆพอเห็นแล้วก็าจะาไม่มีความอยากจะมีแฟนถ้าเห็นร่างกายของแฟนเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเนก็ไม่อยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวดีกว่า ก็ต่อไปก็เป็นพระสกิณาคามีพระอนาคามีได้พอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความอยากจะเสพกามและไม่มีความอยากที่จะมีแฟนไม่มีความอยากจะนอนกับใครแล้วมันก็รู้ขึ้นมาเองมันหมดไปทีละตัวสองตัวด้วยปัญญาที่เราใช้ปัญญามันก็ต้องใช้ต่างกันไป ปัญญาของพระโสดาบันก็คือให้ดูร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่เวลาอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอยากเท่านั้นเองเราไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์กับมัน ความอยากมีแฟนท้องพออยากแล้วมันก็ทุกข์อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้รู้สึกเหงาว้าเวต้องอยู่ใกล้แฟนต้องมีแฟนแต่ถ้าเราตัดความอยากมีแฟนได้เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้เราก็ไม่ทุกข์ต่อไปเราก็อยู่คนเดียวได้ก็เป็นพ้านาคามีนี่เราตัดเรื่องทางร่างกายหมดนะ สมมติว่าถ้าเราถึงขั้นพระอนาคามีแล้วนี่เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายแล้วแต่เรายังมีจิตที่ยังยังมีความอยากในจิตอยู่ยังมีความอยากในอารมณ์ยังอยากให้แฮปปี้ยังยังอยากให้ใจมีความสุขไม่อยากให้ใจเศร้าแต่ใจของเรามันก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาก็แฮปปี้บางเวลาก็ sad บางเวลาก็ดีใจบางเวลาก็เสียใจ เราก็ต้องมาใช้ปัญญาสอนใจว่าใจก็เป็นอย่างนี้นะใจก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ม, มีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็อยังมีอัตตาตัวตอนว อ, อัตตาตัวตนก็เข้าไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าอัตตาตัวตอนอยู่ที่ไหนก็ลองค้นหาดูค้นไปค้นมามันก็เห็นว่ามันไม่มัมนเป็นความคิดเท่านั้นเอง งั้นก็อย่าไปคิดมันมันก็จบอัตตาตัวตนก็หายไปคือไม่ถือตัวไงไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้ใครด่าก็ก็รู้ว่าเขาดา่าแต่ไม่ได้ไปคิดว่าเขาด่าเราถ้าคิดว่าด่าเราก็มีตัวตนขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าคดว่าเขาด่าเฉยๆเขาด่าเนี่ยเขาไม่เขาด่าใครก็ไม่รู้อ่ะเราไปรับรู้ก็รู้เฉยๆไม่ไปว่าเขาด่าเราเมื่อไม่มีเราอ่ะเราเป็นตัวรู้ก็รู้เฉยๆด่าตัวรู้ตัวรู้ก็รับรู้ไปเหมือนด่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมันก็ถ่ายรูปไปกล้องถ่ายรูปมันมันไม่ได้มาเป็นตัวตัวตนเนี่ยถ้ามันเป็นตัวตนมันก็เดี๋ยวมันก็มันก็ด่ากลับเราน มันก็เข้าไปในนั้นพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะตัดละตัวตนได้หมดละความอยากที่จะให้จิตมีความสุขจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขพอละความอยากได้จิตมันก็พลิกไปเป็นจิตที่สุขตลอดเวลาจิตที่ไม่มีความอยากเลยกลายเป็นจิตที่สุขตลอดเวลา จิตที่มีความอยากจึงเป็นจิตที่ยังไม่สุขไม่เพราะไปอยากกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองว่าตอนนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรเราไม่มีความอยากกับอะไรแล้วจิตจะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์กับมันจิตจะเศร้าก็ปล่อยมันเศร้าไปจิตมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไป เฉยๆให้เป็นอารมณ์เราไม่มีอารมณ์กับมันเรารู้เฉยๆเราเป็นผู้รู้เฉยๆผู้รู้ก็เลยไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่สิ่งที่ผู้รู้ยังมาสัมผัสอยู่ก็มีเปลี่ยนปลาเปลี่ยนนาะร่างกายก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่ังแต่ที่รู้ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายไม่ตื่นเต้นไปกับเวทนาความเจ็บบางทีก็เจ็บบางทีก็ไม่เจ็บะ บางทีก็หายเจ็บเจ็บแล้วก็หายหายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บอีกก็รู้ไปอไม่มีตัวตนไปรับความเจ็บออารมณ์จิตอารมณ์วันนี้ไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีรู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นจิตเองไม่ได้เป็นตัวรู้เองตัวรู้เพียงรับรู้ก็รู้เฉยๆไปไม่ได้ไป มีอะไรกับสิ่งที่รับรู้อไม่มีความอยากกับสิ่งที่รับรู้ตัดความอยากได้หมดตัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากให้จิตดีความอยากให้จิตแฮปปี้จิตมีความสุขพอจิตไม่แฮปปี้ก็ทุกข์อยากให้ความความความความความความไม่สบายของจิตหายไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ปฏิบัติไปเรื่อยๆพอมันรู้ว่าความความอยากเป็นตัวทาให้ความทาให้ใจทุกข์ใจก็หยุดความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจถ้าถ้าเกิดความอยากใช้ลักษณะของอนิจังอานัตาให้ให้มันพิจารณาลักษณะของสภาว ะ, ะให้มันช่วยให ให้อยูอ่าใช่เพราะไปทําอะไรไม่ได้ไงมันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติอนัตตาหมายถึงธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยฝนตกนี่เราไปห้ามมันได้ไหมไปอยากให้มันตกไม่ตกได้บ้าไปสั่งมันได้บ่าตอนนี้อยากให้มันตกมันไม่ตกทําไงไม่ตกก็ไม่ตกถ้าไปอยากให้มันตกแล้วใจจะทุกข์ไหมเพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ใช่ไหม หรือฝนตกอยากให้มันหยุดไม่หยุดก็ทุกข์อีกทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดน่างกายมันจะแกะ่ไปอยากให้มันไม่แก่มันก็จะทุกข์อยากให้มันสาวอยากให้มันเป็นหนุ่มมันไม่เป็นสาวมไม่เป็นหนุ่มแล้วก็ทุกข์แต่ถ้าแต่ถ้ารู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้ก็อยากไปอยากก็จะเห็นว่าความอยากเกิดจากความทุกข์ พอไม่อยากแล้วก็จะไม่ทุกข์แก่ก็แก่ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่แก่มันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าไปอยากให้มันไม่เจ็บเราก็ไม่ทุกข์กับมันเวลามันเจ็บมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปอันนี้เราทุกข์กันเพราะเรามีความอยากกันอยากให้ไม่แก่งอยากให้ไม่เจ็บมอยากให้ไม่ตายอยากให้คนนั้น อยู่กับเราอยากให้คนนี้ไปไม่ชอบคนนี้ก็อยากให้เขาไปชอบคนนี้ก็อยากให้เขาอยู่พอเขาไม่อยู่ก็ทุกข์พอคนที่เราอยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไปอยากให้เขาอยู่เขาจะไปแล้วเขาจะอยู่เราก็ไม่ทุกข์กับเขาทุกข์เกิดจากความอยากของเราเราก็ต้องตัดความอยากต่างๆไปให้หมด แล้วต่อไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับร่างกายของเราของคนอื่นไม่ทุกข์กับเวทนาของเราของคนอื่นไม่ทุกข์กับอารมณ์ของจ kind of ิตของเราหรือของคนอื่นเวลาคนอื่นเขาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาอารมณ์เราไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาอนี้จังเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป อนาตาก็ไปสั่งให้มันดับไม่ได้เวลามันอารมณ์ไม่ดีก็ไปสั่งให้มันอารมณ์ดีก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พอเราตัดความอยากไปหมดแล้วต่อไปอารมณ์มันจะไม่มีแล้วมันจะเฉยเฉยมันจะรู้เฉยเฉยอารมณ์ดีก็ไม่มีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่มีเ <Yeah. S 2> พราะจิตตัดความอยากที่จะไปมีอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ไม่ดีจิตมันก็เลย ไม่มีอารมณ์ <มา S 1> ไปต่อไปมันก็เฉยเฉยมองอะไรมันก็เฉยเฉยไปหมด อ, มอาวามามีอะไรมีอะไรจะถามไหมปะก็จริงๆก็ ท, ท, ที่พระที่พระอาจานนาครับก็ก็ได้แล้วครับท่านอ๋อครับได้อะไรก็เรื่องของ ความอยากเนี่ยโกรธอยากให้เขารับฟังก็มันก็เป็นทุกข์ของมันก็เข้าใจแต่เป็นนี้ก็อย่าไปอยากทำตามหน้าที่ไปมีอะไรพูดก็พูดไปส่วนเขาจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของเขาเขาไม่ฟังก็หยุดพูดไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปทุกข์ไปบังคับเขาไม่ได้ไปบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้ทุกอย่างในโลกนี้เราบังคับไม่ได้ แต่ว่าบางทีเราบังคับได้เราก็เลยคิดว่าเราบังจะบังคับเขาได้ตลอดเวลาที่เราบังคับเขาได้เพราะเขาต้องพึ่งเราเขาก็เลยยอมเราแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่ต้องพึ่งเราเขาก็ไม่ฟังเราก็ได้เราก็บังคับเขาไม่ได้เหมือนลูกเนี่ยตอนเด็กๆมันมันต้องอาศัยเราเราบังคับให้มันทําอะไรมันก็ทํำบอกให้มันยืนมันก็ยืนบอกให้มันทําอะไรมันก็ทํา พอมันโตแล้วนี่มันเป็นตัวของมันเองแะถ้ามันไม่อยากทํามันก็ไม่ทำแลอวยังให้มองว่าไม่มีสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราบังคับได้นี่มันก็บังคับได้บางเวลาเท่านั้นเองพอถึงเวลาที่เราบังคับไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจให้รู้ว่านี่แหละความจริงแล้วมันเราไม่สามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการได้ พอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราก็หยุดเสียก็บ่นเรื่องเร่อร่างกายเราเราเรารู้ว่าเราบังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันไปเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ไม่หอนแล้วใช่ไหมไม่หอโอเค พอดีไมโครโฟนกับลําโพงมันถ้าหันหน้าชนกันมันก็จะฟีดแบ็มันก็เลยหอน <c oughs> แต่ถ้ามันเบาเราไม่ไดินเสียงเราพูดเรารู้สึกว่าต้องต้องเล่นเสียงต้องแบ่งเสียง <c oughs> แต่ถ้าเราพูดเราได้ยินเสียงเร <c oughs> าเราก็จะพูดแบบสบายสบายแล้วตอนนี้อาจารย์ได้ยินเสียงไหมใช่ <c oughs> ได้ยินแล้วอ <c oughs> แล้วจะลองขึ้นอีกอีกจุดหนึ่งดูว่าจะหอยไหมหอยไหย ไม่หนันโอเคอ <c oughs> ย่างนั้นก็เนี่ยมาสรุปก็คือที่ตอบคําถามว่าเราไปกราบป้าหันกี่ร้อยรูปเนี่ยกราบไปก็เท่านั้นละ่ะกราบพระพุทธรูปเนี่ยกี่ร้อยรูปกราบไปก็เท่านั้นเน่ะไม่ได้ความรู้จากการกราบพระพุทธรูปนะนะนะและ้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้เราทํากันนะ พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้เราสร้างพระพุทธรูปกั น, นพระพุทธเจ้าบอกให้เราสร้างธรรมธรรมก็คือมรรคให้สร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้สร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาเพราะถ้าเรามีทานศีลภาวนามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความทุกข์ได้ แต่การกราบก็เป็นการแสดงความเคารพอันนี้ก็กราบได้แต่กราบพอเป็นมารยาทอนเวลาคนเจอกันก็ยกมือไหว้เท่า น, นั้นเองเป็นการแสดงไม่ตีจิตเมตตาต่อกันแสดงความเคารพต่อกันว่าเราเป็นมิตรเราไม่ได้เป็นศัตรูกันอแอ่ไม่ได้มีประโยชน์มากไปกว่า น, นั้น ศา ส, สนาพูดสอนให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถให้กับเราได้เงินทองจะมีกี่ร้อยล้านพันล้านจะมีตำแหน่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นายกก็ยังทุกข์อยู่ประธานาธิบดีก็ยังทุกข์อยู่คนมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์อยู่ แต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์ถึงต้องมาศึกษาว่าธรรมะคืออะไรแล้วต้องเอาไปทำอย่างไรถึงทำให้มีธรรมะขึ้นมาในตัวเราพอเรามีธรรมะในตัวเราแล้วเราก็จะหยุดความทุกข์ได้เพราะเราจะหยุดความอยากทุกครั้งเวลาเราทุกข์เราก็จะบอกตัวเราว่าตอนนี้เรากำลังอยากอะไรทั้งอย่างหนึ่ง แล้วเราก็อย่าไปอย่าไปแก้สิ่งที่เราอยากได้มาแก้ที่ความอยากของเราเช่นเราทุกข์เพราะเราอยากมีแฟนแต่เราไปมีแฟนไม่ได้เพราะเราเป็นแม่ชีอย่างี้ถ้าอยากจะมีแฟนถ้าอยากจะมีแฟนถ้าอยากจะแก้ทางโลกเขาก็สึกไปไม่ลาลาจากแม่ชีกลับไปเป็นคนธรรมดาก็ไปมีแฟนได้พอมีแฟนก็หายทุกข์ แต่หาทุกเดี๋ยวเดียวหาย<ห><ห>ทุก<ๆ>ทุกจากการที่อยากมีแฟนไงพอได้มีแฟนก็แหมเลี้ยงฉลองแต่งงานใช่หไหมงานตอนนั้นไม่ไม่ทุกกันนะคนที่แต่งงานงานเลี้ยงแต่งงานนี่ทุกกันรึเปล่าแต่มันมาทุกตอนเวลาเดี๋ยวมาทะเลาะกันอะไรแต่ตอนแต่งงานไม่ทุกหรอก เหงน้นถ้าจะแก้ต้องแก้ด้วยธรรมะก็คือความทุกข์เราเกิดเพราะจากความอยากมีแฟนเราก็ต้องเอาธรรมะมาแก้แก้อย่างไรก็สอนว่าแฟนนี่น่ารักจริงหรือเปล่าแฟนนี่สวยจริงหรือเปล่าน่าดูหรือเปล่าลองลองผ่าออกมาดูสิลองผ่า อ, อกผ่าท้องของแฟนออกมาดูสิว่ามีอะไรพอเห็น อ, อกเห็นท้อง เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ก็ไม่เอาดีกว่าก็ไม่ต้องสึกอยู่ต่อไปได้คนที่สึกเนี่ยพระที่มาบวชแล้วสึกก็เพราะอยากจะไปมีแฟนกันเห็นไหมพระญี่ปุ่นท่านบวชตั้งสี่สิบปีท่านยังไปมีแฟนเลยเคยได้ยินชื่อไหมพระญี่ปุ่นที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชาท่านบวชได้สี่สิบพันสามสามสิบกว่าสี่สิบพันสา แลวพอไปอยู่ใกล้ใกล้สีกาเข้ามองสีกาทลัยก็เห็นว่าสวยก็เลยอยากจะอยากจะได้มาเป็นแฟนพรออยากจะได้เป็นแฟนก็ทุกข์เพราะว่าเอาเข้ามาไม่ได้เพราะเป็นพระถ้าอยากจะหายทุกข์ก็เลยต้องเลิกจากการเป็นพระไปเป็นโยมพอเป็นโยมก็หายทุกข์เพราะได้แฟน แต่จะได้ทุกแบบใหม่ทุกที่จะต้องเกิดกับการที่จะต้องอะทะเลาะ ก, กับแฟนหรือว่าเกิดเวลาแฟนทิ้งกันจากการเลิกกันอีกก็ทุกอีกเพราะท่านไม่ใช้ธรรมะแก่ไงถ้าใช้กรรมะแก้ว่าอ๋อแฟนนี้ไม่สวยไม่น่ารักหรอกเราไปเพียงแต่เห็นเพียงแต่หน้าเท่านั้นเอง ไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผิวหน้าว่ามีอะไรบ้างถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหน้าใต้ผิวหนังก็จะเห็นกระโหลกศีรษะพอเห็นกระโหลกศีรษะก็ไม่เอาแล้วใช่ั้ยเห็นโครงกระดูกในตัวแฟนนี้ก็ไม่อยากจะได้แฟนนะเนี่ยใช้ธรรมะแ ก, ก้หยุดความอยากหยุดความทุกข์ใจอ่ ถ้าไม่ไม่รู้จักธรรมะก็จะแก้ไม่ได้จะต้องแก้แบบแบบคนทั่วไปก็คือถ้าอยากมีแฟนก็เสกไปลาสิกขาไปแล้วก็จะไปก็จะไปมีแฟนพอเวลามีแฟนก็หายทุกแต่ก็ไปเจอความทุกข์ใหม่ทุกเวลาที่ทะเลาะกับแฟนทุกเวลาที่แฟนทิ้งเรา อย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ไม่คิดถึงว่ามันจะตามมาต่อไปเพราะแฟนก็ไม่เที่ยงอันนี้จังไม่แน่นอนวันนี้เขารักเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เกิดเขาไปรักคนอื่นเขาไม่รักเราแล้วเขาก็ทิ้งเราหรือเขาตายไปเพราะเขาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยตายไป ไวาให้เราเหลืออยู่คนเดียวเอง ก, ก็ทุกข์เอง mm hmm. พอแฟนตายไปทุกข์อีกทีนี้ก็กลับมาบวชใหม่มี <laughs> ขอถามอีกอันหนึ่งได้ไหมได้ไดที่ไปในเรื่องความความคิดมันมีมันมีความปรุงแตง่งแล้วก็จะมีความปิจารณา เพราะนการเป็นความคิดทั้งนั้นะเป็นแต่งเพียงแต่ว่าเราแยกแยะว่าความคิดอย่างไหนเป็นพิจารณาความคิดอย่างไหนเป็นปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คิดแบบไม่มีเหตุมีผลคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดว่ามีแฟนมีลูกแล้วจะมีความสุขมีครอบครัวมีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขนีคิดแบบคิดปรุงแต่งแล้วคิดว่าอยากจะสร้างบ้านอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่มันก็ปรุงแต่งไปแต่ถ้าพิจารณาก็คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดว่าอันนี้ดีไม่ดีดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรอยเงีเ้เป็นแบว่าถ้าพิจรารณาร่างกายอืก็พิจรารณาความจริงไงดูความจริ ง, เ, รงเดีแต่ ว, ว่าพรร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องพิจรารณาเ อ, อแต่ถ้าคิดว่าร่างกายสวยร่างกายต้องอยู่ไปนานๆอย่างเงี้ยปรุงแต่งไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นความจริงไง การพิจารณานี่ก็พิจารณาให้เห็นความจริงแต่ถ้าคิดว่าโอ้เราจะอยู่ไปได้เรื่อยเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายก็เรียกว่าปลูกแต่งแต่ทั้งสองอย่างเป็นอวิชชาปัญญาสังขารหรือไม่ถ้าพิจารณาก็เป็นธรรมาวิปจยาสังขารนะเป็นธรรมนะรรมแล้วถ้าพิจารณาว่าเป็นอนิจจทุกข์อนัตตาก็เป็นธรรมะ แต่ถ้าพิจารณาว่าเป็นตัวเราของเราก็เป็นอ ว, วิชาชาเห็นคำว่าพิจารณาหรือปรุงแต่งมันคล้ายๆกันนะมันอยู่ที่ว่า<บ>มันมันมันมันพิจารณาไปทางไหนมันอ่ามาดังอีกแล้วใครใครมันขึ้นๆลนนงๆเนี่ยมานิจังเนี่ยเห็นไหมอมีใครไปทำอะไรหรือเปล่าไม่มีนะฮเยัเนสรุปแล้วก็เป็นความคิดเหมือนกันอย่างนี้ดีกว่า ถ้าคิดไปในทางธรรมก็เป็นธรรมะถ้าคิดไปในทางกิเลสก็เป็นกิเลสความคิดเราคิดไปได้สองทางคิดไปในทางกิเลสแล้วคิดไปในทางธรรมที่เรามาปฏิบัติที่เพื่อมาสอนใจให้เราคิดไปในทางธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมเราจะคิดไปในทางกิเลสเพราะใจของเรามีกิเลสเป็นคนสั่งให้คิดไงอวิชชาเป็นกิเลสอวิชชานี้เป็นหัวหน้าของกิเลส เป็นตัวที่มาสั่งให้เราคิดไปในทางกิเลสคิดว่ามีมีครอบครัวแล้วจะมีความสุขมีอะไรแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าฉะนั้นความคิดก็สรุปก็คิดไปได้สองทางอตอนนี้ดังดีตอนนี้หอนไ้ยไม่หอนนะคิดไปได้สองทางคิดไปทางกิเลสก็คิดไปในทางธรรม คิดไปในทางกิเลสก็จะพาเราไปสู่ความทุก <mesma. S 1> ข์คิดไปในทางธรรมก็จะพาเราไปสู่ความดับทุกข์ <mesma. S 1> ความไม่มีทุกข์เช <plain. S 1> ่นคิดว่าแต่งงานแล้วทุกข์ก็ไม่แต่งงานถ้าคิดว่าแต่งงานแล้วสุขก็จะไปแต่งงานเพราะแต่งงานแล้วมันก็สุขแต่มันเดี๋ยวมันสุขมันไม่สุขอย่างเดียวเดี๋ยวมันมีทุกข์ตามมาด้วยอแต่ถ้าคิดว่า แต่งงานแล้วทุ ก, ก็ไม่ไปแต่งงา น, นก็เลยไม่ต้องไปเจอความทุกข์ก็เป็นธรรมะมาบวชเนี่ยคิดว่ามาบวชเนี่ยก็เป็นธรรมะเพราะการบวชนี้เป็นการหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากที่จะไปมีแฟนมีครอบครัวมีข้าวของมีเงินทองมีอะไรต่างๆเพราะมีแล้วเดี๋ยวมันต้องทุกข์เพราะว่าของต่างๆมันไม่เที่ยง เงินจะต้องมีวันหมดจะต้องมีวันจากกันไม่จากตอนเป็นก็จากตอนตายเวลาตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหอทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เราจากไปหมดแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ต้องจากมันไปถ้าเรามองไว้ก่อน่วงหน้าวว่ามีร่างกายก็ทุกข์ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกาย วิธีจะไม่มีร่างกายก็ต้องไม่ใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเลิกความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่าไปอยากดูอย่าไปอยากฟังอย่าไปอยากอยากไปนู่นอยากมานี่ถ้านจะไปต้องมีเหตุผลไปไม่ใช่ไปเพราะความอยากเช่นไปเพราะต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมออันนี้ก็ไม่ได้ไปด้วยความอยาก แต่ถ้าร่างกายสบายแต่อยากจะไปแล้วอ้างว่าไปโรงพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นความอยากเองเพราะร่างกายมันสบายมันไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่กับอ้างว่าต้องไปโรงพยาบาล <c oughs> เพราะว่ามันอยากจะออกไปข้างนอกไม่อยากที่อยู่ในวัดอย่างนี้ก็เป็นความอยากต้องมีเหตุผลบงังคับให้ไปถึงไม่เป็นความอยากเช่นพระตอนเช้าต้องออกไปบินธบาะ อันนี้ก็เป็นเหตุผลไม่ได้ไปเพราะความอยากไปข้างนอกไปเพราะว่าต้องออกไปบินธบาบินธบาเสร็จก็กลับไม่ใช่บินธบาเสร็จแล้วก็ทะเลถลายไปที่ไหนต่อไปเสร็จก็ต้องกลับไม่ใช่พอออกไปแล้วเดี๋ยวอยากจะไปนั่นต่ออยากนี้มีนี่ต่อก็เลยไปเลยเอตความอยากมันจะพาให้เราใช้ร่างกายต้องมีร่างกาย แลพอไม่มีร่างกายเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ mm hmm. ร่างกายเราเป็นเหมือนคนคนรับใช้เรา mm hmm. เป็นเซ r ร์ฟเวอร์เราเคยถ้าเรามีคนรับใช้เราก็จะชอบใช้เขาใช่ใช้เขาทำนู่นทำนี่ mm hmm. พอคนใช้คนนี้ลาออกไปเราก็ต้องไปหาคนใช้ใหม่มาเ mm hmm. พราะเราทำเองไม่ได้เราขี้เกียจทำเราไม่อยากจะทำเอง mm hmm. เราก็เลยต้องหาคนใช้คนใหม่ หามากี่คนก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆพอคนนี้คนเก่าออกไปก็ต้องไปหาคนใหม่มาแต่ถ้าเราเลิกใช้คนใช้ได้เราก็ไม่ต้องมีคนใช้ทำเองปาดบ้านเองถูบ้านเองซักผ้าเองก็ไม่ต้องมีคนใช้คนใช้จะออกไม่ออกก็ไม่เดือดร้อนถ้าใช้มีคนใช้เวลาคนใช้ออกลาออกไปก็ทำให้เราเดือดร้อน ถ้าใช้ร่างกายพอร่างกายจะตายก็ทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเวลาร่างกายตายเราก็ไม่ทุกข์กันีความอยากมันทําให้เราทุกข์ความอยากมันทําให้เราต้องไปมีอะไรต่างๆเพราะไม่มีเราก็ทุกข์เพราะไม่มีก็ต้องไปหาต้องไปหามาหาไม่ได้ก็ทุกข์หามาได้ก็ดีใจเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เองเพราะว่ามันหมด ก็ต้องหาใหม่อีกเห็นเราหาร่างกายมาไม่รู้กี่ร่างแะร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มับรได้ร่างกายใหม่ม ก, หมก็มาทําอย่างที่เราเคยทําก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆพาเราไปเที่ยวพาเราไปดูหนังฟังเพลงพาเราไปมีแฟนพาเราไปมีครอบครัวแล้วเดี๋ยวพอร่างกายตายไปความอยากมีของหน่านี้มันไม่ได้ตาย มันก็พาเราไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่เนี่ยเราเกิดมายัางมาเกิดอย่างนี้ไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วกี่แสนล้านครั้งแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดเจอพระอรหันต์แต่ต้องเจอพระอรหันต์ที่ไม่ตายหรือว่าถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าตายแล้วท่านก็สอนเราไม่ได้เจอพระพุทธรูปก็อย่างมากก็ได้กล่าว แต่อย่างดีพระพุทธเจ้ายังมีตัวแทนพระพุทธเจ้าตายไปแต่พระพุทธเจ้าบอกฉันมีตัวตัวแทนของฉันอยู่ก็คือคําสอนคําสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรเราก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกพอเราได้อ่านแล้วเราก็ ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะมาหยุดความอยากด้วยวิธีต่างๆนะทําทานก็ให้หยุดก็เป็นวิธีหยุดความอยากหยุดใช้เงินนะต่อไปเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเราก็จะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปทํางานเราจะได้มีเวลามามารักษาศีลเพื่อมาหยุดความอยากอีกที่เรายังไม่ได้หยุดนะ่รนะับ แล้วก็มาภาวนาเพื่อมาหยุดความอยากให้หมดเลยเวลาภาวนาเวลาจิตสงบนี้ความอยากทุกช น, นิดหยุดชั่วคราวแต่ไม่หมดยังไม่หยุดแบบถาวรพอพอออกจากสมาธิมาความอยากก็ยังกลับมาได้ดันั้นก็พอออกมาจากสมาธิพอมันจะอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนนะว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์อยากแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวทุกข์อยากไปมีแฟนนะ้วเดี๋ยวก็ทุกข์ ถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับแฟนแต่พอรู้ว่าการมีอะไรแล้วเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากได้นล้วมันจะหยุดแบบถาวรไม่เอาแล้วถ้ารู้ว่าได้แฟนมาแล้วจะต้องร้องห่มร้องไห้ไม่เอาดีกว่าได้อะไรมาแล้วต้องทุกข์ไม่เอาดีกว่าไม่มีดีกว่า ได้เงินมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทุกข์พอได้เงินมาแล้วนี่ต้องคอยรักษาเงินแล้วมีเงินมากๆเดี๋ยวก็มีคนมาป้อนมาอมาจับตัวเราไปรักค่าถ่ายอะมีแต่ความทุกข์ตามมาไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบไม่มีเงินดีกว่าอะไรทํานองนี้ต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาเราจะเห็นว่า การมีอะไรนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันก็เลยทำให้เราเลิกอยากจะมีมีร่างกายก็ทุกข์ก็เลิกไปอยากไปอยากมันมีร่างกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปเพราะว่าห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปห้ามมันไม่ได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้น พอรู้ว่าอยากแล้วมันจะทำให้เราทุกข์แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดอันนี้หมดต้องหมดด้วยปัญญาไม่ได้หมดด้วยสติหรือสมาธิสติหรือสมาธิเพียงแต่กดความอยากไว้ให้มันหยุดทำงานชั่วคราวเวลานั่งสมาธิเราหยุดคิดความอยากก็หยุดหายไปชั่วคราวจิตเราก็สงบมีความสุขเหมือนไปถึงนิพพานแต่เป็นป น, นิพพานชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาปั๊บเดี๋ยวเห็นหนูน่นเห็นหนี่ก็อยากได้ขึ้นมาอมก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเ้าก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากลดทุกข์ได้มาแล้วก็จะต้องทุกข์สุขก็สุขเดี๋ยวเดียวอยากกินกาแฟพอได้กินกาแฟก็สุขเดี๋ยวพอกาแฟหมดก็ทุกข์อีกอต้องหากาแฟใหม่มากิน อ, กอีกกินกี่ถ้วยก็เดี๋ยวก็ต้องหมดไป พอเวลาหมดไม่มีกินก็จะทุกข์ถ้าไม่กินมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากกาแฟมันก็จะไม่ทุกข์กับกาแฟอให้คิดอย่างนี้ให้ใช้ปัญญาให้รู้ว่าการมีความอยากการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจอเพราะฉะั้นเวลาออกจากสมาธิมาพออยากอะไรก็ต้องฝืนเหมือนอยากไปทําทตามต้องถามว่าถึงเวลา จำเป็นจะต้องมีไหมจำเป็นจะต้องดื่มกาแฟไหมถ้าไม่ดื่มกาแฟจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดื่มถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเสิไม่เห็นต้องดื่มน้ํากาแฟถ้าร่างกายหิวน้ําก็ให้น้ํามันไม่ต้องให้กาแฟใช้เหตุผลอย่าไปทําใช้ตามใช้ความอยากแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็หายไป แล้ถึงแม้ว่าร่างกายต้องการน้ําแต่ถ้าไม่มีน้ําให้ดื่มก็อยากไปอยากดื่มมันเพราะว่ามันไม่มีให้ดื่มก็อยากไปอยากไม่ดื่มก็ได้ร่างกายตายก็เรื่องของมันยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีถึงเวลาตายมันก็ดื่มไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่ถ mm ้าไม่ไม่ได้ไปอยากให้ร่างกายไม่ตายมันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีน้ําดื่มก็มันก็ไม่มีดื่มท่านนี่ไม่มีดื่มเนี้ยมันก็ตายะ ตายก็ตายไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องตายแต่เราอย่าไปมีความอยากไม่ตายเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์แต่ทำไมพระพุทธเจ้ายังดื่มยังกินอาหารอยู่ก็เพราะท่านใช้ปัญญาใช้เหตุผลว่าร่างกายนี้ยังเอามาทำประโยชน์ได้ร่างกายของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์มาก พราะว่าสามารถมาแสดงธรรมอพอแสดงธรรมก็ทําให้คนเป็นผ้าหลันกันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเนี่ยเนี่ยถ้าถ้านับจํานวนผ้าหลันตั้งแต่วันที่พระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกจนถึงบัดนี้ไม่รู้มีกี่กี่ล้านละกี่ร้อยล้านน ะ, ะถ้าสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี้มีพระมีผ้าหล า, านปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีตวันตอนนี้ผ้าหลานจะต้องหายไปหมดแล้ว แต่ยังมีพระอรหันต์ปร า, ปากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่ายังมีคนเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าพุทธเจ้าตัดสัตว์เสร็จแล้วไม่สอนใครก็จะไม่มีพออาระอรหันต์ตามมาเราก็จะเรียกท่านว่าเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้านี้ไม่สอนใครกี่เกียรติสอนก็ไม่รู้่ะถ้าไม่สอนนะหรือไม่มีคนฟัง ถ้านเห็นว่าสอนก็ไม่มีใครฟังก็ได้อถ้าไปสอนในแถวแถวตามตามที่คนก็ไม่เชื่อศาสนาก็ไม่มีใครฟังใช่ไหมถ้าไปสอนในกับคนที่ก็ไม่เชื่อเรื่องศาสนาไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้สอนไปก็ไม่มีคนฟังถ้านอาจจะไปอยู่ในช่วงที่มีแต่คนไม่ไม่ไม่เชื่อศาสนาก็ได้ บางทีไม่สามารถอธิบายก็ได้า ไ, ไม่สามารถอธิบายก็ได้สิ่งที่เราดูโดยใยบางทีไม่สามารถพูดออกได้ได้เหมือนพระอาหารย์บ<ส>างรูปถ้าไม่สอนใครพระอาจารย์บางรูปท่านสอนไม่เป็นอออธิบายไม่เป็นอธิบายคนฟังก็ไม่เข้าใจ <iß neighborhood> อย่างพระหลวงพระอาจารย์มั่นท่านมีพระอาจารย์เสาวเป็นอาจารย์นิดหนึ่แต่พระอาจารย์เสาวท่านไม่สอนอะไร ท่านเพียงแต่พูดสั้นๆ ส, นสีนสมาธิปัญญาแค่นี้ถ้าคนฟังไม่เข้าใจก็มันจะไปปฏิบัติยังไงแต่พระอาจารย์เมื่อนี้ท่านเก่งท่านอธิบายว่าสีนเป็นยังไงมีอะไรบ้างวิธีนั่งสมาธิทำยังไงนั่งยังไงถึงจะมีสมาธินั่งยังไงถึงไม่มีสมาธิปัญญาคิดยังไงถึงเป็นปัญญาคิดยังไงถึงไม่เป็นปัญญาอันนี้ต้องอธิบาย คนฟังถึงจะเข้าใจน <Yeah. S 1> อกจากคนฉลาดเท่านั้นพอพูดศีลสมาธิปัญญาเขาก็เข้าใจ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ซึ่งมีน้อยมากคนใหญ่ mm hmm. ต้องอธิบาย mm hmm. ดังนั้นการการที่มีมีรูปเหมือนของพระพุทธเจ้ารูปเหมือนของพระอรหันต์แล้วเราไปกราบไปสวดนี่มันไม่มันไม่ได้ประโยชน์มากนัก ได้เพียงแต่รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ไม่รู้ว่าท่านให้เราทําให้เราเป็นพระรอรหันต์ยังไงเราไม่รู้ประโยชน์ที่เราควรจะได้รับก็คือเราควรจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าเราได้เป็นพระอรหันต์เราก็จะได้พ้นทุกข์จะได้ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไป กานจะเป็นพระ อ, อรหันได้ก็ต้องมาเรียนรู้คําสอนของพระพระ อ, อรหันของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเห็นพระพุทธรูปแล้วมันสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือแล้วต้องถามตัวเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วคําสอนของท่านอยู่อยู่ที่ไหนหาได้ไหมถ้าบอกมีอยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะเราก็ไปหาพระไตรปิฎกไปศึกษาไปอ่านกัน ก็แม่ชีตอนต้นก็ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนามาก่อนไม่ใช่เกิดมาก็เป็นชาวคริสไม่ใช่ชิออก็ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่ไม่รูแต่ในโรงเรียนมีอาจารย์ค่อยไปอินเดียเขาค่อยเล่าเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็เล่าคํานิพพานโอ้โหูดึงเลยพอได้ยินก็ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ว่าสุดท้ายมี ในเยอรมันก็มีอาจารย์สอนอจัดคอร์สเลยไปศึกษานั่นแหละก็เลยเห็นว่ามีธมที่ดอยูอ่แล้วก็ดีอยู่แล้วก็อยกศึกษาต่อต้องศึกษาถึงจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสน า, าถ้ากราบไหว้แล้วก็สวดอย่างนี้จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนพวกที่เข้าไปพุทธคยากันไปนั่งสวดกันเงนี้ยแต่ไม่ได้รู้ว่าธรรมะสอนให้ทําอะไรกันอ เพลงแต่รู้ให้สวดอย่างเดียวการสวดมันก็เป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งแต่มันต้องมีมากกว่านั้นแล้วไม่ต้องไปสวดที่ที่พุทธคยาสวดจริงๆนี่ต้องสวดที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนแล้วสวดตรงนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบินไปบินมาบินไปหลายวันไปนั่งสดวดชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับเงี้ย ม, มันสู้อยู่ที่นี่สวดสวดมันสามสี่วันเลยดีกว่า ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ปริมาณของการสวดสวดน้อยก็ได้น้อยสวดมากก็ได้มากแต่เขากลับไปคิดว่าถ้าไปสวดที่พุทธคยาแล้วจะได้มากสวดที่ที่นี่แล้วจะได้น้อยแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่สถานที่ที่เราสวดอยู่ที่ปริมาณการสวดของเราสวดมากสวดน้อยใช่ไหมถ้าสวดมากมันก็คิดน้อยถ้าสวดน้อยมันก็คิดมาก นั่หละเพราะไม่มีใครสอนวิธีก็สอนกันผิดผิดคิดสอนว่าต้องไปพุทธคยาไปสวดที่นั่นแล้วก็จ ะ, ะได้บุญมากถ้าสวดที่บ้านสวดที่วัดบุญน้อยยต้องศึกษาี่ยต้องไปต้องไปศึกษากับคนที่เขาเป็นพระอรหันต์ดีที่สุดเพราะเขาจะรู้วิธีที่ถูกต้อง เพราะแม้แต่อ่านหนังสือเองบางทีก็หลงผิดได้เข้าใจผิดได้เพราะแปลความเขาแปลความหมายผิดได้ต้องให้คนที่เขาปฏิบัติเขาบรรลุแล้วเข้ามาสอนแล้วเขาคอยดูแล้วว่าเขาเราทำถูกหรือเปล่าทำไม่ถูกเขาก็จะบอกเราว่าไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูก ฉั้นอย่าไปกราบพระพุทธรูปอย่าไปกราบพระอาหารหันต์แล้วไม่นั่งสวดเลยอไปหาคําสอนดีกว่าไ ป, ไปหาธรรมะดีกว่าอไปศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถ้าหาพระอาหารหันต์ได้ก็ไปยังมีอยู่แต่ท่านไม่ค่อยประกาศตัวเองท่านเองท่านเก็บตัวเงียบๆคนจะรู้นี่ต้องไป ต้องไปศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าท่านเป็นพระอารหันต์หรือไม่เป็นพระอารหันต์แต่ท่านจะไม่มาเขียนป้ายติดไว้ที่ที่กีวรรนนี่เป็นพระอารหันต์นะ ม, มีอะไรอยากจะถามอีกไหม ค อ, อที่เป็นดจงเศษปงแต่งแล้วฉันจะเห็นว่าบางทีถ้าเรามีชีวิตเป็นนักบวดแล้วเราก็ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากาอะไรข้างนอกแต่บงังตีตัวจิตเองนะค่ะมันยงยากอยากเที่ยวแต่มันเที่ยวข้างใน ก็ต้องหยุดมันไงอันนี้ยากนะอก็ต้องใช้สติมากไงต้องฝึกสติให้มากตัวจิตดื้อต้องพุทโธต้งหวนพุทโธพุทโธมันดื้อก็พุทโธใส่มันพุทโธพุทโธแล้วมันก็จะคิดไม่ได้มันก็จะเที่ยวไม่ได้อพอมันจะคิดถึงบ้านก็พุทโธพุทโธไปอคิดถึงเยอรมนีก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันก็สงบมันก็จะสบาย ยังต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพื่อให้จิตหยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดได้แล้วทีนี้ก็จะมีความสุขแล้วพอมันมีความอยากเราก็ใช้ปัญญามาสอนมันเราต่อไปมันก็จะไม่อยากเพราะว่ารู้ว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นการไปหาความทุกข์เท่านั้นนอกจากการการอยากได้ธรรมะนี่เท่านั้นถือว่าถือว่าเป็นความอยากที่ดี ถ้าอยากไปบวชอยากไปรักษาศีลอยากไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากที่ดีแต่ถ้าอยากไปหาความสุขทางร่างกายนี่ไม่ดีเพราะมันจะทำให้เรากลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเอาแล้วนะพอดีครบหนึ่งชั่วโมงนะก็จะขอพัก <c oughs> ช่วงช่วงแรกนี้จะอนุโมทนาให้พอ ยะถาวาริวะหาปุราปริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังป um ัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจังุทธาปะจายโน จตารโหธมาวทานเตอายุวันโนสุขังพาลังหนุนได้กี่พัญษาละ่ะิบ้ี่สิบ้าอไม่กับอกก็ไปศึกษาหลายที่เลย เคยเป็นลูกศิษย์สังเคมากะเดินถึงชันนภาน้องบูกเสรู่สังวรเคมากุสันรอยู่สุพรรณรู้มใช่รู้จักแม่ชีจอยแล้วป่รู้จักรู้จักใช่อันนี้อยู่แม่นตานี่แม่ชีจอยได้ข่าวว่ายังอยู่นะอ้โอดทนอดทน พี่จั ย, นนย เ, เป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยแต่ก่อกนเป็นลกศิษย์หลวหลวงพ่้สังวาลย์หลวงอสนนอมแล้วตอนหลังเขาเป็นุปถายหลวงพ่อสังวาลยเราก็หลวสังวาลไปหาลูกตาป่ยๆไปฝากา ไ, ป ไ, ไปไปบ้านตากหรืปล่าไป คเคยอยู่ที่ง ต, งตาบยหลงตาไว้ น, นะช่วงที่อยู่กับหลวงพู่สังวานจะไปหาห ล, งาาลวงทานด้ยเราก็ักจากที่หลวงู่ขอลงตาก็าตามหลวงพู่ตลอดไปบพบกับพระ อ, อ, อาจารย์ิกษ์ก็ป่ะอาจารย์กิกษ์าาาอาจารย์กษลูกศิษย์หลงตาพระฝาหลังอาจารย์ฤกพระอาจารย์ เชอรี่รู้จักพระอาจารย์ปัญญาท่านปัญญาช่วงนั้นนะอ๋ออาจารย์ปัญญาอันนี้มีท่านมาตินเป็นชาวเยอมันเป็นคนเยอรมันเลยรู้จักใช่ไหมรู้จักเมื่อวานไปล่อยตัที่าหเจ้าการสภาเจ้าท่านพามาเลย เมื่อวานจ้ ะ, ะปล่อยปูกันจ้ะมาเยอะไหมคนมาเยอะไหมเยอะค่ะแล้วมัน้ามาเจอกันที่นี่เลย ว, ว่ามาจากที่ไหนคือิเหตุของเรื่องก็คือว่าพอดีหลานสาวพาพิ่สั้นลูกของพี่สาวแล้ใช่ปะก็เลยน้องี่ห้าก็มาร้ออังคารกันอ่าแล้วก็เลยบอกเขาว่าให้มาจะเป็นปล่อยปูพาจานไปจ้ะ ลูกอยู่ที่ปักธงชัยค่ะในอถวตอนนั้นหลวงตามหาบัวมาบ่อยก็ทํามาวัดแสงทําวัดฟ้าเราจะเดินตรงนี้จะไปอยอ่จ้ะแล้วท่านอาจารย์โสภาชวนมาเลยคือลูกไปทําบุญที่นั่นบ่อยจ้ะค่ะแล้วลูกชาว่าเคยบทนึงอยู่นั่นอด้ท่านก็บอกว่าจะมาปล่อยปู๋ก็เลยมากรับท่านเนี่ยด้วยเหตุนี้ก็เลยอพาพี่น้องมาปล่อยด้วยค่ะ ท่านเดินทางมาจากวัดโดยตรงเลยนะท่านไปสูนเสงธรรมก่อนอ่าทานที่สูนแสงธรรมนะใช่แล้วตอนเช้าฉันเสร็จก็มาลูกเคยมากราบจานท์เคยมานั่งสมาธิอยู่นานแล้วค่ะช่วงนั้นที่มีแค่ฟังแค่สาวทิจจ้าอ่าอืมเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกวันแล้วพอมีคนมาทุกวันอพอดีก็เลยชวนและหลายมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมา คุณรู้ว่าวาด่บบนี้ทุกวันแล้วติดตามถ่ายทอดทางบ้านก็ได้มียูทูบเฟซบุ๊กนี้ถ่ายทอดสดเยอะเข้าไปดูได้เลยทุกวันบ่ายสองโมงไม่ต้องเดินทางมาไกลให้อยู่ที่ปัดตรงใจก็มีองค์หลวงปู่บุญด้ค่ะวัปะดปอแดงท่านก็ให้ท่านก็สอนเกี่ยวกับเนี่ยค่ะทางสายสปฏิบัติ อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ได้เหมือนกันน ะ, อะขอให้ปฏิบัติเท่านั้นนะไม่ใช่ไปเรียนแล้วก็ไม่ปฏิบัติกัน <c oughs> เรียนแล้วต้องเอาไปปฏิบัติะถึงจะได้ผลถ้าเรียนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้เรียนไม่ได้ผลต้องพยายามทำตามที่ท่านสอนทําบุญเรื่อยๆ อย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาไปเงินไปใช้ตามความอยากเอาเงินไปทำบุญดีกว่าพยนะายามรักษาสีนหน้ได้ศีห้าแล้วก็สีแปดแล้วก็หัดภาวนาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็จะได้เห็นผลได้พบกับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนะอ่าไป วันนี้ทางบ้านทางเ b o o k youtube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เ c e b ุ o k สูงสุด412ค่ะ y o u ู u b บ114วิทิยุมี6ค่ะออวันนี้เฟ e b o o k เยอะหน่อย412นานจะขึ้นเลขสี่ทีตอนนี้วิทิยุก็ดีเจไม่อยู่ใช้ได้วันนี้ใช้ได้ <ขอ S 1> ค่ะใช้ได้ลดีเจกลับมาแล้ว มีคำถามไหมมีค่ะมีต่างชาติหรือเปล่าวันนี้ไม่มีต่างชาติค่ะออลิเวียไม่มาไม่มีค่ะชานหายไปเลยคนที่อยู่ลาสเวกัสชื่ออะไรนะ <Tony. S 1> โทนี่โทนี่อโลเมโรโลเมโลเมโเมรแล้วคนที่อยู่อังกฤษอยู่สกอตแลนด์ชื่ออะไรนะนี เตฟานมอริสเอ่อสเฟนมอริสเอ่อลองถามเขา้ามาเลยคําถามจากคุณบีวิธีคิดตอนตื่นนอนควรคิดอย่างไรครับก่อนนอนควรพิจารณาอย่างไรเจอคนตอนทํางานพิจารณาอย่างไรครับมีสติหรือเปล่าถามตัวเองตอนนี้เรามีสติหรือเปล่าเรา <c oughs> หยุดคิดหรือเปล่า เราพุโทโธหรือเปล่าให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถามถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรามีสติอยู่กับตัวหรือเปล่าหยุดคิดหรือเปล่าให้รู้เฉยๆหรือเปล่าให้เราพุโทโธพุโทโธอยู่หรือเปล่าคิดอย่างนี้ไปคำถามจากคุณจิตประภัสสนนะคะ พระพรมกับเทวดามีทุกข์ไหมคะมีก็เพราะว่ามันมีเสื่อมได้ไงเทวดาก็เสือเส่อมเทวดาตกสวรรค์ตกจากสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยพมก็เวลาเสื่อมมันก็ทุกข์ <c oughs> เพราะว่ามันมันเสื่อมจากความสุขที่ละเอียดมาสู่ความสุขที่หยาบกว่า <c oughs> จากพรมก็มาเป็นเทพจากเทพก็มาเป็นมนุษย์ <c oughs> คำถามจากคุณโตมรค่ะก่อนจะนั่งสมาธิเราต้องสวดมนต์อะไรก่อนหรือเปล่าครับหรือว่านั่งเลยครับแล้วแต่เราเราอยากจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้บางทีนั่งแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดก็ใช้การสวดมนต์ช่วยหยุดคิดไปก่อนก็ได้คำถามจากคุณโบนะคะบุญกระถิ่นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าคะเหมือนกันน่ะเป็นบุญเหมือนกับถวายสังฆทานถวายบิณฑบาต เพียงแต่ว่าท่านบอกว่าเป็นบุญตอนนั้นเพราะว่ามันขาดผ้าผ้าไม่มีใช้พระไม่มีใช้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าถวายผ้าจะมีประโยชน์มากนี่เราก็ไปแปลความหมายว่าประโยชน์มากเป็นบุญมากเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครถวายผ้ากันเนี่ยส mm hmm. มัยนั้นมีแต่ให้ผ้าไปหาผ้าในป่าช้าไปเอาผ้าบางสกุลผ้าห่อศพมาใช้ ตอนนี้มีคนมาบวชมากขึ้นมากขึ้นผ้าในะป่าช้าก็หมดไม่พอใช้พระก็เลยขาดแคลนเรื่องผ้าองค์เจ้าก็เลยบอกว่ า, าทำบุญถวายผ้าก็ะถิ่นนี้จะได้ได้บุญมาก อ, มอันนี้ท่านคงไม่ได้บอกบุญมากท่านบอกคงเป็นอนิสงค์คือประโยชน์มากมประโยชน์กับพระกับคนให้นี่เหมือนกันจะ จะถวายผ้าจะถาวายจีวรจะถวายกุฏิมันก็เป็นบุญเหมือนกันจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่จำนวนเงินที่เราถวายถวายเงินมากก็ได้บุญมากสำหรับคนถวายถวายเงินน้อยก็ได้บุญน้อยใช่ไหมไม่เชื่อเหรอไม่เชื่ อ, อไม่รู้จะว่าไงอยู่ที่ใจไม่ใช่ใช่ก็อยู่ที่ใจอ่า ถามดูถ้าแม่ชีถวายร้อยหนึ่งกับถวายบาทหนึ่งงานไหนใจจะรู้สึกยังไงเหมือนกันไหมถามตอบคาถามนี้ก่อนสิถวายร้อยหนึ่งกับถวายบาทหนึ่งนี่มันต่างกันไหมต่างกันนั่นแหละก็บอกอยู่ที่ใจก็ถึงบอกมันต่างถ้าถวายพันหนึ่งกับถวายร้อยหนึ่งต่างกันไหมนั่นแหละถ้าถวายมากมันจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าใช่ไห เนี่ยไม่ใชีก็ถวายบาทเดียวก็พอถ้าถวายบาทหนึ่งก็ถวายพันบาทหนึ่งก็ได้บุญเท่ากันเรื่องมาไปถวายพันบาทมันเสียเวลาเสียเงนินไปทำไค่ะแต่ว่าบางทีถ้าถ้าเราถวายพันหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นอารมณ์เราไม่เบิดบานเราก็เรามีแค่ลอยเดียวแต่ล้อยนั้นน่ะมันเป็นเยอะสําหรับเร า, าแล้วก็เราใช้เปิดบาน่ะช่วงนั้นนะบุญอันนั้นมันเท่ากันได้เนาะ คือเป็นอย่างนี้สำหรับตัวเราเองเนี่ยในตัวเราเองเนี่ยเราถวายมากมันก็จะสุกมากถวายน้อยก็สุกน้อยแต่ถ้าเราเอาเงินของเราไปเปรียบเทียบกับอีกคนอย่างนี้ยมันมันไม่มันไม่มันร้อยหนึ่งสําหรับคนหนึ่งกับร้อยหนึ่งสําหรับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันร้อยสาหรับคนที่มีแค่พันึองกับ100ร้อยสาหรับคนที่มีหมื่นนี้มันไม่เหมือนกันรู้ใจไ้ม คนที่มีพันถวายร้อยนี่จะรู้สึกมีความสุขมากกว่าคนที่ถวายคนที่มีหมื่นแต่ถวายร้อยหนึ่งอันนี้ต่างกันตรงนี้แต่ต้องเป็นคนแต่ละคนที่เราพูดนี้คนคนเดียวกันคนที่ให้ตัวเราเนี่ยอ๋อถ้าให้เยอะก็เยอะใช่ไหมอ่าเนะี่ยเราพูดตรงนั้มันมั น, มนต้องเข้าใจว่ามันมีหลายกรณีที่ที่เราพูดหมายถึงว่า เวลาเราอยากจะได้บุญเยอะๆเนี่ยมาว่าจะถามว่าทําบุญแบบไหนจะได้บุญเยอะใช่ไหมแเราไม่ได้แบบไหนหรอกอยู่ที่ว่าให้ทามากก็ทําน้อยเหมือนกินข้าวอ่ะกินมากก็กินน้อยจะกินกลับแบบไหนก็ได้เท้งนั้นอ่ะกินอาหารฝรั่งกินอาหารจีนกินอาหารไทยถ้ากินนิดเดียวมันก็มันก็อิ่มน้อยอถ้ากินมากมันก็อิ่มมากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารชนิดไหนที่เราจะกินหนึ่งจะทำให้เราอิ่มมากกว่าใช่ไหมอยู่ที่เรากินมากเรากินน้อย เราทําบุญสําหรับคนคนเดียวกันเนี่ยตัวเดียวตัวเราเนี่ยถ้าเราทํามากมันก็จะได้มีความสุขมากมีความสุขก็คือบุญนี่ไง e แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนหนึ่งนีงน้ไม่ได้ her, ละ mm hmm. นะคนละเรื่องนะคนคนหนึ่งร้อยหนึ่งอีกคนก็ร้อยหนึ่งแต่มีความสุขไม่เหมือนกัน mm hmm. แล้วคนที่มีมีพันหนึ่งเขาเสียไปร้อยหนึ่ ง, ง mm hmm. เขาเสียร้อยละสิบคนที่มีหมื่นหนึ่งล้วทำร้อยหนึ่งก็เสียค่าร้อยละร้อยหนึ่ง หนึ่งในร้อยเท่านั้นเองเขาก็เขาก็เสียไปนิดเดียวเขาก็ไม่รู้สึกได้อะไรมากเหมือนกับคนที่เสียร้อยละสิบเนอันนี้เปรียบเหมือนกับนี้เหมือนหนูกับช้างเนี่ยหนูกินข้าวกับช้างกินข้าวนี้กินปริมาณเท่ากันมันก็ ถ้าถ้าถ้าหนูกินกินช้อนหนึ่งอิ่มแล้วช้างให้ให้ช้างกินช้อนหนึ่งช้างจะอิ่มไหมไม่อิ่มเนี่ยช้างต้องกินถังหนึ่งนี่ไหมนั่นละคนที่มีหมื่นก็ต้องทํามากกว่าคนที่มีพันหนึงง 1, 000, น่งถึงจะรู้สึกอิ่มเท่ากันคนที่มีหมื่นอยากจะอิ่มเท่ากับคนที่มีพันก็ต้องทําพันหนึ่งพันหนึ่งก็จะเท่ากับคนที่มีพันแล้วทำร้อยหนึ่งอันนี้ แต่ว่าถ้าเราทําเยอะเราเห็นในวินาทีเยอะเราก็เราดีใจมากใช่ดังนั้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทําผ้ากรถินหรือทําผ้าป่าหรือใส่บาตรหรือถวายจิวเอซื้อจีวานมาถวายอันนี้มันมันเหมือนกันเนีคือเราได้เสียสละเงินทองของเราไปดังนั้นจะมากจะน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผ้าป่าเป็นผ้ากรถิน อยู่ที่ว่าเราเสียมากก็เสียน้อยอเสียมากก็จะเป็นก็ได้บุญมากเสียน้อยก็ได้บุญน้อยอแต่คนเราไม่เข้าใจแลวเข้าใจว่าพระเจทาเจ้าบอกว่าทาบุญกระถิ่นแล้วจะมีอา น, นิสงส์มากอา น, นิสงส์แปลว่าประโยชน์มไม่ได้ไหมความว่า บ, บุญของผู้ผู้ให้ประโยชน์กับผู้รับเพราะผ้าขาดแคลนมากพระไม่มีผ้า ถ้มีอยู่ชุดเดียวเวลาฝนตกเปียกก็ต้องใส่มันเปียกๆไปถ้ามีคนถวายผ้าเยอะเวลาเปียกก็ยังได้มีผ้าเปลี่ยนได้ท mm hmm. ่านถึงท่านถึงว่าเป็นประโยชน์มากมีอ น, นิสงมากนี mm ้ hmm. คนไปแปลคาว่าอ น, นิสงว่าเป็นบุญมาก mm hmm. ก็เลยคิดว่าต้องถวายกระถินถึงจะได้บุญมากถวายผ้าป่าถวายผ้า อ, อ, อย่างอื่นนี่ ถวายสังฆทานนี้จะได้บุญน้อยอะไรไม่ใช่วัดป่าเล็กๆโอ้ให้อะไรนิดหน่อยบางทีมันขาดหลายอย่างได้ประโยชน์ <มา S 2> ได้ประโยชน์มากถ้าไปถวายพระที่เขามาเยอะแยะแล้วถวายไปเขาก็เกะกะเป็นกองขยะไปเราก็ไม่เอาไปใชเ้เขาก็ต้องเอาไปเอาไปทาเอาไปแจกหรือไปทำอะไรอย่างอื่นต่อไป นสรุปก็คืออย่างที่พูดนี้นะหวังว่าคงจะเข้าใจคําำถามจากคุณพัฒนันค่ะการภาวนาผมใช้การเฝ้าดูการยุบพองที่หน้าอกเวลาหายใจและใช้พุทธานุสตินึกว่ามีพระพุทธรูปอยู่กลางอกด้วยได้ไหมครับถ้ามันสงบก็ได้นะแต่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะเรื่องมากกว่าเอาเรื่องเดียวก็พอ ถ้าดูอกก็ดูมันยุบพองก็พอถ้าไปดูยุบพองแล้วก็ไปดูพระพุทธรูปด้วยเนี่ยมันก็มันก็วิ่งไปวิ่งมาเราต้องการให้จิตอยู่นิ่งๆไม่ให้มันวิ่งไปวิ่งมาให้มันอยู่ที่เดียวอยู่กับเรื่องเดียวให้มันเพ่งอยู่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพระพุทธรูปก็ไม่ต้องไปดูอกเพ่งดูพระพุทธรูปไปถ้าจะดูอกก็ยังไม่ต้องไปดูพระพุทธรูป คำถามจากคุณบีนี่ค่ะเพื่อนเป็นคนใจบุญชอบทำบุญด้วยของที่ดีมากของที่ธรรมดาเขาก็ไม่เอามาถวายเลยทำให้เขาถวายน้อยชิ้นแต่หนูบอกเขาว่าเจตนาดีก็ควรรีบถวายแต่เขาก็ไม่เอาต้องรอให้มีของดีๆมากๆ ก, ก่อนขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะมันก็เป็นเรื่อง <c oughs> ความพอใจของคนถวายเช่น ก, ก็ได้ทั้งนั้น ขอใได้ทําคือการให้ของดีๆมันก็ทําให้เราให้ให้ความสุขกับผู้รับมากเนี่ยถ้าเราให้ของไม่ดีผู้รับเขาก็ไม่มีความสุขเช่นแล้ของใช้แล้วไปให้อย่างเงี้ยหรือของเสียอย่างเงี้ยเช่นมีทีวีเสียก็ไปถวายให้วัดอย่างเงี้ยผ่านลมเสียก็ไปยกให้กับวัดอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ความคนให้ก็ไม่มีความรู้สึกมีความสุขอย่างไรเพราะไม่ได้ให้ของดีเวลาให้ของดีเรารักของดีเวลาให้ของดีใครไปเราจะรู้สึกว่าเราได้เสียสละมากเช่นเรารักอะไรแล้วเราให้สิ่งนั้นไปเนี่ยได้เนี่ยแสดงว่าเราเรามีความเสียสละมากเช่นรักแฟนแล้วก็ยกแฟนให้คนอื่นไปได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เรามีความสุขมากถ้าเรายกให้เขาได้ งั้นถ้าอยากจะได้บุญมากเนี่ยต้องให้ของดีๆของที่เรารักของที่เราหวงคำถามจากคุณเล็กถ้าเราปฏิบัติจนดับขันห้าได้เราไม่ต้องมาเวียน่ายตายเกิดอีกใช่ไหมคะ อ, อ๋อขันห้าเราไม่ดับหรอกขันห้ามัน เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะดับมันเราดับกิเลสดับตัณหาความอยากในขันห้าอย่าไปอยากในขันห้าอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองส่วนขันห้ามันจะดับก็เรื่องของมันมันไม่ดับก็เรื่องของมัน คำถามจากคุณธนากจเวลานั่งสมาธิจนถึงมีแสงสว่างแล้วทําอย่างไรต่อครับต่อไปก็ภาวนาต่อไปยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการไปจุดที่เราต้องการไปนี้มันจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะร้องออมันจะไม่ต้องถามใครมันถึงอได้ถึงแล้วถ้ายังถามอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงก็ก็ภาวนาต่อไป พุดโทต่อไปดูลมต่อไปอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นของอเป็นหนังตัวอย่างหรือเป็นเป็นเวลาเราดูภาพยนตร์นี่เขาจะฉายภาพยนตร์ตัวอย่างให้ดูก่อนกว่าจะถึงหนังจริงใช่ไหมพ อ, อเวลาเ็ดูเราก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจะฉายหนังจริงรแเ้าก็ดูไปจนกว่าหนังจะจบ เพภาวนาไปเรื่อยืๆจนกว่าจะถึงจุดที่มันอิ่มมันพอมันสุขแล้วเราก็จะหยุดภาวนาไปเองคําถามจากคุณทิกราบพระอาจารย์ผู้ที่ถึงขั้นอริยะบุคคลแล้วท่านจะมีสติตลอดเวลาไหมคะแล้วอย่างเช่นเอาสัมภาระติดตัวมาแล้วพอเดินจากไปแล้วลืมอย่างนี้เรียกว่าขาดสติมั้ยคะหรือสตินั้นใช้เพื่อกํากับที่กิเลสอย่างเดียวคะ เสติกับความจํามันคนละตัวกันนะความจํานี้ลืมได้บางทีกินยาไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันนึกถึงไว้เมื่อกี้กินยาหรือเปล่ามันลืมได้เพราะว่ามันความจําบางทีมันพออายุมากเข้าม า, มากเข้ารู้สึกว่ามันจะสั้นลงสั้นลงมันจะจําได้เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บพอผ่านไปปั๊บหนึ่งนี้บางทีลืมละอันนี้เป็นเรื่องสัญญาเขาเรียกว่าความจําไม่ใช่สติ สติเขาไม่อยู่ตลอดเวลาเวลาก็ทําอะไรเขามีสติเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่พอทําทผ่านไปแล้วเดีย๋ยวถามลืมไปแล้ว <m> พูดอะไรเมื่อกี้ถามเราจําไม่ได้แนะ้ว <m> อ, อันนี้คนละอย่างนแต่เวลาพูดมีสติพูดเนื้อสติแต่เวลาพูดผ่านไปแล้วให้มาถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรไม่รู้แล้วจําไม่ไดอ้อันนั้นเป็นสัญญาคนละตัวกันตัวสติกับตัวสัญญานี่คนละตัวกัน คำถามจากคุณไอเบอร์รี่ค่ะขณะที่เราดูการเคลื่อนไหวของกายสามารถดูอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นควบคู่ควบควบูคบ่คคกันไปพร้อมกันได้ไหมคะจะว่าได้ก็ได้แต่มันไม่รู้จะไปดูทำไมต้องการให้ดูใจเพื่อไม่ให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ที่เดียวเดี๋ยวไปดูว่าอันนั้นมันใจมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาใจก็จะไม่นิ่งตอนนี้เราฝึกสติฝึกสมาธิเราไม่ต้องการจะไปดูหลายอย่าง ให้ดูอย่างเดียวคือดูร่างกายไปคําถามจากคุณเคอาค่ะคํำกล่าวเรื่องเนื้อนาบุญสอนว่าทําบุญกับพระที่เป็นอริยสงฆ์ได้บุญมากกว่าทําบุญกับพระทั่วไปถ้าคนที่อยู่ห่างไกลควรจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรคะคือทิงที่เราจะได้จากเนื้อนาบุญพระอริยะก็คือได้ธรรมะไง ภาริยะก็เป็นเหมือนกับคนที่เรียนจบปริญญาขั้นต่างๆถ้าเราไปเรียนกับคนจบปริญญาตรีเราก็ได้ความรู้แค่ระดับปริญญาตรีถ้าเราไปเรียนกับคนจบปริญญาโทเราก็จะได้ความรู้มากกว่าคนจบปริญญาตรีถ้าเราเรียนกับคนปริญญาเอกเราก็จะได้รู้ความมากกว่าคนระดับปริญญาโท อันนี้ก็เหมือนกันพระอริยบุคคลก็มีอยู่สามสี่สี่ขั้นด้วยกันถ้าเรียนกับพระโสดาบันก็ได้แค่ความรู้ของโสดาบันจะไม่รู้ความรู้ของพระสกิดาคามีไม่รู้ความรู้ของพระอนาคามีเรื่องของพะระอรหัน แต่ถ้าไปเรียนกับพาาาระอรหันต์นี้จะได้เรียนรู้กับทุกทุกความรู้เลยจะรู้ความรู้ของพระโสดาบันรู้ความรู้ของพระสกิฎาคามีรู้ความรู้ของพระอนาคามีรู้ความรู้ของพาอาาระอรหันต์อันนี้คือเนื้อเนื้อนาบุญถ้าไปทำกับบุญกับคนที่เขาไม่เป็นพระอริยะก็จะไม่รู้เรื่องพระอริยะเลยถ้าไปทำบุญกับพระที่เขาปลุกเสกเขาก็จะสอนเรื่องปลุกเสกให้เรา ซือวัตถุมงคลถือพระพุทธรูปนี้กลับไปแล้วบ้านจะจะมีปกป้องมีเทวดาคุ้มครองมีอะไรเขาก็จะสอนไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราไปเรียนกับใครท่านยังบอกให้เรียนกับคนที่ฉลาดคนฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าลองลองมาก็พระประเจ ก, กะลองลองมาก็พระอาหารหันต์ลองลองมาก็พระอนาคามีพระสะกิรดาคามีพระโสดาบันเนี่ย มีความรู้ไม่เท่ากันมากน้อยต่างกันคําถามจากคุณโอโอไอค่ะหากวันไหนจิตฟุ้งมากๆนั่งสมาธิไม่สงบสักทีเปลี่ยนมาเดินจงกรมแทนได้ไหมคะพอรู้สึกว่าทำให้จิตสงบได้ง่ายกว่าค่ะได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้จิตสงบเพียงแต่เดินมันจะไม่สงบเท่ากับนั่ง นั่งมันจะสงบเต็มที่มันนิ่งเต็มที่ถ้าเดินมันยังไม่นิ่งเพราะมันยังต้องใช้ร่างกายต้องควบคุมร่างกายสั่งให้ร่างกายทํางานอยู่แต่ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนก็ได้เดินไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็ลองมานั่งต่อพอรู้สึกว่ามันหายฟุง้งมันสงบแล้วก็มานั่งต่อถ้าอยากให้มันสงบมากกว่าเดินก็ต้องมานั่งต่ออีกทีแล้ ว, ลวความรู้กับความเชื่อนี่เหมือนกันไหมครับ คือความรู้ก็ความรู้เป็นเรื่องของความรู้ไงความรู้ก็คือเรารู้ว่าพระาทิต์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกนี่ความรู้ความเชื่อก็คือว่าเราเชื่อว่าพระาทิต์จะขึ้นพรุ่งนี้แต่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอ<ะ>าจจะไม่ขึ้นก็ได้อาจจะขึ้นก็ได้ครับ ม, มันมาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลไหม ความเชื่อมันไม่ได้เกี่ยวเหตุผลมันความเชื่อก็คือมีใครบอกอะไรเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็เชื่อเรียก ว, ว่าเชื่อแต่ความรู้ความรู้นี่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อความรู้มันเกี่ยวกับเรื่องรู้ก็เลยมันไม่เหมือนกันไงเช่นเวลาเรามาบอกคนว่าอพรุ่งนี้เราจะให้คนร้อยหนึ่งนี่คนจะเชื่อไม่เชื่อล่ะ บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อคือเชื่อว่าพรุ่งนี้จะได้หนึ่งร้อยทิ่จะได้จริงไม่จริงนี่ก็ต้องรอพรุ่งนี้ใช่ไหมรอพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าอะไรนะน่าความรู้ความเชื่อต่างคําถามจากคุณสอนชัย การปฏิบัติธรรมเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับลมหายใจปัจจุบันฝึกให้ไม่คิดหรือถ้าคิดก็อยู่กับคําบริกรรมเช่นคําว่าพุโทโธแต่ถ้าทําอริยบทอื่นๆก็อยู่บริก็อยู่กับอริยบทที่กระทําอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายขอถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าผมแปลงฟันอยู่ผมต้องเอาคําบริกรรม ก, กํากัดคิดไปด้วยไหมครับว่าผมแปลงฟันอยู่หรือว่าผมแค่มีสติรู้ว่าแปลงฟันอยู่แค่นี้ก็พอครับ ถ้ามันอยู่กับการแปลงฟันได้โดยไม่ต้องคำบริกรรมก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้าอยู่ดูมันแปลงฟันมันก็ยังไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้อยู่ก็อาจจะเอาคำบริกรรมมาช่วยอีกชั้นหนึ่งเอาพุโธก็ได้เลือกคําว่าแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันก็ได้คําถามจากคุณกำมลการจะแยกกายกับจิตให้ได้นี้ต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็นั่งสมาธิไง นั่งสมาธิเวลาจิตรวมแล้วจิจตกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันชั่วข่าวเวลาจิตสงบได้จิตจะถอนออกจากร่างกายจิตความจริงไม่ได้อยู่ในร่างกายเราจิตส่งกระแสไปเกาะติดที่ร่างกายกระแสที่ไปเกาะที่ร่างกายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายโสตวิญญาณจักขรวิญญาณเนี่ยมันออกมาจากจิตแล้วก็วิ่งไปหาร่างกายพอเรานั่งสมาธิเราก็ดึงเราใช้พุโทโธดึง หรึ่งวิญญาณกลับเข้าไปในจิตพอนึงเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาหมดปับ๊บมันก็แยกออกจากกันตอนนั้นก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายจิตก็จะรู้อยู่แต่ตัวรู้ตัวเดียวก แ, แต่ว่ารู้อยู่ตอนนั้นคือวิธียากด้วยสมาธิแล้วพอเรารู้ว่าร่างกายกับสมา ร, ร่างกายกับจิตใจเป็นคนละตัวแล้วที่เวลามารวมกันเวลาออกจากสมาธิมามารวมกัน เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจระหว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคอยเตือนมันอยู่เลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมัน<ง>อย่าไปรักอย่าไปหวงมันอ<ง>มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไป Ever. อันนี้ต้องแยกด้วยปัญญาเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาออกจากสมาธิมาต้องใช้ปัญญาแยากว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องตายไป มันจะตายก็มันตายไปมันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปอย่าไปอย่าไปอยากให้มันถ้ามันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราไปมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยจะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปอะ อันนี้มันเป็นความเปลี่ยนของเราใช่ไหมเงินเราเห็นน้ําใสๆในในในบ่อน้ําเราก็จะมีเม็ดเขียวๆมาเป็นเม็ดแล้วก็แหวกมันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเลิกมันจะเบ็ดอีกอันนี้เราต้องใช้ปัญญาปิดแหวตลอดตลอดเวลามันจะไปยึดไปติดร่างกายก็เราบอกไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอันี้จังทุกขังอนัตตา จนกระทั่งมันมันมันเลิกไปยุ่งกับร่างกายเราก็เลิกพิจารณาได้แสดงว่าเราปล่อยพอเราปล่อยจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาแล้วเพราะมันจะเป็นอะไรเราไม่สนใจแล้วอไม่แคร์คือคือสุดท้ายก็คือคือตัวเราไม่สนใจแล้วว่าเราปล่อยวางแล้วหรือสุดท้ายตัวจิตมันเข้าใจนั่นแหละไมไมนเข้าใจมันยังปล่อยถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ไม่ปล่อย มันต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเรามันทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมัน<ช>ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปมันเข้าใจมันก็เข้าใจว่าต้องปล่อยมันถึงจะไม่ทุกข์แต่ว่ามันยากบางบางช่วงมันเห็นชัดมันเข้าใจชัดแต่บางช่วงเหมือนจะบิดหมือนจะลูงเต็มที่เราก็ช่วงนั้นน่ะจะยากเนาะ ก็ต้องพยายามทำบ่อยๆยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำต้องเข้าสมาธิบ่อยๆถ้ายากก็แสดงว่าไม่มีกำลังก็เข้าไปในสมาธิก่อนให้มีกำลังพอจากสมาธิมันมีกำลังมันก็จะแยกได้ง่ายขึ้นแสดงกำลังสมาธิหมดสู้กำลังของกิเลสที่จะมารวมกันไม่ได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิเพื่อแยกมันก่อนแล้วออกมาแล้วค่อยใช้ปัญญาแยกอีกที คือกำลังสมาธิต้องเอาเพิ่มก่อนอเอาสมาธิหมดได้ออมาสักพักเดี๋ยวหมดก็ต้องกลับไปนั่งใหม่อมอมพอมันเริ่มยากก็รู้แล้วว่าแสดงว่าสมาธิหมดกําลังแล้วก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิพอ ม, ม, มีสมาธิออกมาก็จะแยกง่ายขึ้นเพราะมีกําลังมากขึ้นเหมือนทํางานเนี้เวลาทํางานไปทํางานไปหมดแรงใช่ไหย เคยแบกของได้เป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบกิโลแบกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เหลือห้ากโลเหลือแค่กิโลเดียวแบกไม่ไหวก็หมดแรงก็ไปพักผ่อนหลับนอนกินข้าวก่อนพอพักผ่อนหลับนอนกินข้าวเสร็จแล้วก็มาทํางานใหม่มันก็จะมีกําลังใหม่พอยากทางปัญญาจนกระทั่งมันรู้สึกว่ายากแนละ้วก็แสดงว่าหมดกาลังก็กลับไปนั่งสมาธิก่อนไปเพิ่มกําลังก่อน ใช้แ ย, ยกด้วยสมาธิก่อนพราะแยกด้วยสมาธิมันยากจริงๆอะ่ะดึงออกจริงๆเลยดึงด้วยสติดึงดึงกระแสวิญญาณให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปรวมอยู่ในจิตเนี่ยเรียกจิตรวมเลยอพอจิตรวมแล้วที่พอออกมาใหม่ก็มีกําลังแยกอยู่เยอะจะใช้ปัญญาบอกอย่าไปอย่าไปยุย่งปล่อยวางมันก็ปล่อ ย, อยง่ายกว่า คำถามจากคุณโป่งฟ้าค่ะมีเพื่อนบอกบุญมาแต่บอกบัญชีในชื่อของพระท่านหนึ่งมาเรียนถามว่าไม่ควรจะโอนปัจใจให้แต่ควรจะขอบัญชีของวัดหรือของส่วนรวมใช่ไหมคะเรียนถามความเหมาะสมของพระอาจารย์ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทำในรูปแบบไหนจะทำเป็นของส่วนรวมเป็นของสงฆ์ก็ต้องเป็นบัญชีของวัด<ม>เป็นส่วนกลางไม่ได้เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่ง พระจะเอาไปใช้เองไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะถวายเป็นส่วนตัวเราก็ก็ถวายเฉพาะส่วนตัวได้แล้วแต่เราจะเห็นว่าเราอยากจะถวายในรูปแบบไหนบางทีเราอยากจะสนับสนุนพระรูปนี้เพราะเห็นว่าท่านมีชาติใช้จ่ายออท่านอาจจะเอาไปเลี้ยงหมาเอหรือเอาไปเลี้ยงเด็กพิการอย่างเงี้ยอยากจะสนับสนุนท่านก็โอนให้ท่านไป ถ้าเราแั่นใจว่าเงินที่เราโอนไปท่านจะไปทําบุญเอาไปเลี้ยงหมาเลี้ยงคนพิการเราก็โอนให้กับท่านได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าท่านเอาไปใช้ทำอะไรหรือเปล่าไม่อยากให้ท่านมีเงินเราก็ทําบุญกับวัดไปโอนเงินเข้าบัญชีวัดไปคําถามจากคุณป้อมหากเราบังคับลูกไม่ได้ไม่เชื่อฟังแล้วเรากดลูกเราจะบาปหรือลูกบาปคะไม่บาปด้วยกันทั้งคู่ล่ะ เพราะการการสอนก็เป็นเป็นความปาถนาดีเป็นความเมตตาที่เราทุกข์เพราะมันเป็นกิเลสของเราเราอยากให้เขาฟังอยากให้เขาเชื่อแล้วเขาไม่เชื่อเราเราก็เราก็เลยทุกข์ท่านั้นเองเมื่อเราสอนได้เขาก็ดื้อได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ฟังเราได้แต่เราต้องอย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปอยากให้เขาเชื่อเราเรามีหนเาที่สอนก็สอนไป เขาเชื่อกันดีเขาไม่เชื่อกันเรื่องของเขาอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ทุกข์คําำถามจากคุณหัง่งเวลาใส่บาตรจิตผมจะนึกถึงอาจารย์ว่าเราได้ใส่บาตรให้กับพระอาจารย์กระผมทำได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะมันโกหกเนี่ยหลอกลวงตัวเองอาจารย์ไม่ได้เนี่ยอยากจะใส่บาตรอาจารย์ก็ต้องไปใส่กับอาจารย์ลย ใส่ใส่ตรงไหนก็ต้องใส่กับคนนั้นไปคิดไปใส่คนหนึ่งเหมือนนอนกับคนนี้แล้วก็ไปคิดว่านอนกับคนนั้นเนี่มันก็เหมือนกันมีชู้ทางใจคําถามจากคุณศรีสิริการเรียนรู้ธรรมะเพื่อเป็นการเปลี่ยนแนวทางชีวิตเป็นการสอนตัวคิดหรือสอนตัวรู้คะตัวไหนสําคัญที่สุดคะเกนทั้งสองตัวน่ะ สอนให้เปลี่ยนภาพคิดใหม่เพื่อให้ความรู้ให้ตัวรู้จะได้ได้พบกับสิ่งที่ถูกที่ที่ดีตัวรู้นี้อยู่ที่ความคิดความคิดคิดให้ไปหาอะไรมันก็ไปหาอย่างนั้นถ้าความคิดคิดให้ไปหาบุรีให้ไปหาชุรามันก็ทําให้ตัวรู้ทุกก็อย่าไปให้มันคิดแบบนี้เปลี่ยนให้มันไปหาธรรมะสอนให้ไปทําบุญไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนความคิด เป็นความคิดเพื่อจะได้พาความตัวรู้นี้ไปสู่กับความสุขนะคความคิดนี้เระเป็นตัวที่พาให้ตัวรู้ไปหาทุกข์หรือไปหาสุข <base. S 1> ตัวรู้นี้เป็นเหมือนคนตามบอดอยู่ที่คนอยู่ที่ความคิดพาไปいいความคิดพาไปไหนตัวรู้ก็ไปตามตามตามความคิดไปเนีいい่ยคิดให้มาที่นี่มันตัวรู้ก็มาที่นี่ใช่ไหมถ้าคิดให้ไปที่พัทยาใต้มันก็ไปที่พัทยาใต้いい นันอยู่ที่ตัวตัวคิดนี่ตัวคิดมันไม่ดีไงตัวคิดมันหลงมันถูกอวิชชาถูกกิเลสพาให้คิดมันเลยพาให้ไปหาแต่ความทุกข์เราก็เลยต้องมาหาธรรมะะที่จะสอนให้เราคิดไปในทางที่จะทําให้เราไปหาความสุขกันฮะก็ต้องเปลี่ยนความคิดตัวรู้มันรู้ของมันเนี่ยมันจะพามันไปนรกมันก็รู้ว่ามันอยู่ในนรกพไปสวรรค์มันก็รู้ว่ามันอยู่ในสวรรค์ แต่ตัวคิดเนี่ยมันตัวพาไปถ้าจะคิดถ้าจะให้มันไปนิพพานก็ต้องตัวคิดเนี่ยพาไปคิดไปนิพพานคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดไม่อยากมันก็ไปถึงนิพพานได้จริงรร่งแล้วอ่าวก็มาปฏิบัติเพื่อหยุดความคิดนี่แหละหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นนิพพานขึ้นมาจิตได้คาถามจากคุณผู้พิทักษ์ ทุกๆตอนเย็นผมไปสวดมนต์และนั่งสมาธิที่วัดป่าใกล้บ้านแต่พอหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วจะมีโยมผู้หญิงชอบชวนพระคุยเรื่องสัพเพเหระผมจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนพระเพราะไม่มีผู้ชายอยู่แบบนี้ผมควรจะทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็บอกเขาหน้าที่บอกว่าผมไม่มาแล้วนะผมต้องรีบไปธุระถ้าอยากจะคุยกันก็หาคนอื่นมาแทนผมคาถามจากคุณรัชสา ถ้าถ้าการนั่งสมาธิแล้วรู้ตัวว่าเราฟุ้งซ่านจิตส่งออกนอกนิดคิดถึงเรื่องอื่นตลอดแต่เรายังฝืนนั่งต่อโดยพยายามดึงใจกลับมาแต่ในการนั่งนั้นรู้ตัวเลยว่าฟุงฟ้งซ่านมากๆแบบนี้ยังจะได้บุญไหมคะก็ได้บุญที่เกิดจากความพยายามความเพียรแต่ยังไม่ได้บุญที่เกิดจากความสงบก็ถ้า เพียนพยายามได้ก็เพียนไปแต่ถ้าเพียนแบบนี้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อาจจะเปลี่ยนวิธีใหม่เช่นบางคนบอกลุกขึ้นมาเดินจงกรมจะดีกว่าก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินจงกรมเดินแล้วระงับความฟุ้งซ่านได้ก็ดีพอหายฟุ้งซ่านแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้านั่งแล้วฟุ้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องหาวิธีใหม่คําถามจากคุณแจ้งจะดูว่าเป็นพระอาหารหันต์จะดูได้อย่างไรครับ อ๋ยากดูได้ตอนที่ท่านตายเนี่ยดูว่ากระดูกของท่านเป็นพระธาตุหรือเปล่าอันนั้นวิธีหนึ่งวิธีตอนที่ท่านอยู่นี่ดูยากจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อท่านสอนให้เราเป็นพระอรหันต์ได้เราไปเรียนกับท่านแล้วเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วเราเป็นพระหลานขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์นอกนั้นเราไม่มีทางที่จะรู้ได้นอกจากต้องรอให้ท่านตายแล้วก็ไปดูว่ากระดูกของท่านเป็นพระธาตุหรือเปล่า และบางทีกระดูกของท่านอาจจะไม่เป็นพระธาตุาก็ได้เพราะว่าบางทีการเป็นธาตุหลานนี้เป็นนานหรือไม่นานก่อนตายถ้าเป็นนานโอกาสที่จิตบริสุทธิ์จะฟอกธาตุนี้มันมีมีมากแต่ถ้าตายถ้าเป็นพระหลานแล้วตายไปไม่กี่วันนี้อาจจะไม่มีเวลาฟอกธาตุก็ได้ดังนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านตายไปแล้วกระดูกท่านไม่เป็นธาตุนี้จะแสดงว่าไม่ท่านไม่ได้เป็นพระหลานก็ไม่ใช่ อย่งนั้นก็ดูยากแต่อย่าไปสนใจนะดูตัวเราดีกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นดูง่ายกว่าเยอะแยะนดูว่าเรายังโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่าเรายังอยากอยู่หรือเปล่าคนอื่นก็จะเป็นไม่เป็นมันก็เรื่องของเขาใช่ไหอแต่เราเนี่ยมันสําคัญกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นสําคัญกว่า แย่ถ้าเรายังไม่เป็นรีบมาทำให้เราเป็นดีกว่าอย่าไปมัวไปคอยเฝ้าดูว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเพราะเราอยากจะเรียนจากเขาถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเอาของแท้ๆไปเอาพระไตรปิฎกเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยคําสอนของพอะระอาจารย์ที่ตายไปแล้วก็ดูท่านเป็นพระธาตุก็คําสอนของอท่านมาเรียนก็ได้อย่าไปเรียนกับคนที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นพาาระหลานหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถที่จะอ ah, พิสูจน์ได้ หรือเราไม่มั่นใจเราก็ไปเอาของที่ชัวร์แน่นอนคําสอนพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยไปอานสติปัฏฐานสูตรอ่าตามมาจากกัปปวัตตนสูตรมงคลลสูตรเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือไปอ่านคําสอนของพระอาจารย์ที่ตายไปแล้วอย่างหลงตามหาบวัวเนี่ยไปอ่านคําสอนอท่านเพราะกระดูกของท่านกลายเป็นว่ า, าธาตุไปแล้วอันนี้ก็จะได้คําสอนจากพาาระอหนันตอย่างแน่นอน อา้าวหมดแล้วมีอีกไหมมีอีกค่ะอีกคำถามหนึ่งก็แล้วกันคำถามจากคุณโบการที่เราพอใจกับงานกับรายได้ที่เรามีและไม่กระตือรือร้อนในการอยากได้มากกว่าเดิมทั้งๆ ท, ที่เราสามารถจะทำได้ถือว่าเราเป็นคนเฉื่ยชาและไม่พัฒนาตัวเองหรือเปล่าคะก็อมองได้หลายแง่ สองแงเฉยชาก็ได้หรือสันโดษก็ได้สันโดษก็คือเราพอใจยินดีตามมีตามเกิดถ้าคนทางโลกเอาจจะมองว่าเราเฉยชาก็ได้อันนึงก็แล้วแต่เราเราเป็นเราเฉยชาหรือว่าเราสันโดษก็ถามตัวเราเองดูถ้าสันโดษก็ดีคือเรายินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็พอใจกับสิ่งที่เราได้มา